ใบไม้ใบสุดท้ายนานมาแล้วเมื่อฟอร์เรนซ์ได้พบกับวิกฤตถนนอาร์ตวิวได้สูญเสียความเชื่อในศิลปะช่างทาสีและจิตตกรครั้งหนึ่งที่เคยทำให้ถนนนี้มีจิตวิญญาณได้หยุดทมเนื่องจากความจนศิลปะถูกรักด้วยช่างทาสีและจิตตกร แต่พวกเขาได้รับเงินน้อยไม่ช้าถนนก็สูญเสียแม้แต่เงาของศิลปะพ่อแม่นำสีต่างๆออกจากเด็กๆช่างทาสีเริ่มกลับไปทำงานเดิมๆแถวบ้านของตนเองเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงชีวิตในเวลาที่ช่างยากลำบากก็ยังมีจิตกรที่กล้าหาญและชอบในสิ่งที่ตัวเองทำไม่กี่คนสองคนนั้นในกลุ่มก็คือสูและจอรซี ซูและจอร์ซี่ไม่ใช่เพียงแต่เป็นจิตรกรแต่เขายังเป็นเพื่อนรักกันพวกเขาวาดรูปและขายมันให้กับแม็กกาซีนพวกเขาไม่ได้เงินเยอะแต่พวกเขามีความสุขที่จะทําตามความฝันของพวกเขาระหว่างสองคนนี้ซูเป็นผู้หญิงหัวแข็งและชอบทําสิ่งต่างๆเธอจะทํางานหนักและประชิญกับปัญหาด้วยความนุ่มนวลส่วนจอร์ซีเธอมักจะกังวลกับอนาคตที่จะเกิดขึ้น สู่และจอนซีมีเพื่อนบ้านชื่อคุณเบอร์แมนคุณเบอร์แมนเป็นชายแก่แต่เต็มไปด้วยความร่าเริงเขาจะทาสีไปทุกที่ที่นั่งบนถนนบันไดในตึกของเขาและแม้แต่ต้นไม้เขาเป็นจิตกรส่วนน้อยที่ยังคงสร้างจิตวิญญาณให้กับถนนอาร์ตวิวให้มีชีวิต การเป็นจิตรกรทำให้คุณเบอร์แมนมักจะช่วยงานของซูอยู่บ่อยๆและนี่ถ้าเทระบายไปข้างหลังของสิ่งของนี้หน่อยก็จะทำให้สิ่งของดูเหมือนจริงเลยเออคุณเบอร์แมนคุณเป็นจิตรกรที่มีพรสวรรค์คุณน่าจะขายภาพวาดของคุณนะคะอืมฉันไม่รู้จะทำยังไงกับเงินนะซีฉันอยู่คนเดียว และก็ใช้เงินน้อยมากคนในเมืองนี้ต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกอย่างที่จะต้องใช้เงินนะแต่ว่าเธอจะต้องไม่หยุดทำในสิ่งที่เธอรักทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีจนวันหนึ่งจอร์ซี่ป่วยไม่ว่าหมอจะทำอย่างไรจอร์ซี่ก็ไม่หายป่วยเธอจะหายใช่ไหมคะฉันได้สังยาให้เธอกินแล้วละ แต่สู้ขุ้นต้องช่วยให้เธอคิดในแง่ดีนะเพปัญหาทุกอย่างและโรคจะยังอยู่ถ้าเราคิดลบเธอจะหายถ้าเธออยากจะหายเท่านั้นน่ะละสูทําทุกอย่างเพื่อให้จอร์ซี่มีความสุขเธอจะทําอาหารที่จอร์ซีชอบเล่าเรื่องตลกจากที่ทํางานและเอาดอกไม้มาให้เพื่อที่ในห้องจะได้สดชื่นแต่ก็ไม่มีอะไรสําเร็จ ฉันไม่คิดว่าฉันจะดีขึ้นเลยนะสูฉันรู้สึกเยอะที่ต้องให้เธอทํางานหนะักแค่คนเดียวรลฉันนอนอยู่บนเตียงเฉยแบบนี้จอนซี่จะเป็นเพื่อนของฉันนะฉันจะทําทุกอย่างเพื่อที่จะได้ดูแลเธอสวัสดีสาวๆฉันต้อกดพวกเธอหรือเปล่าอ๋อสวัสดีค่ะคุณเบอร์แมนจอนซี่ตัวน้อยของเราเป็นยังไงบ้างก็พยายามจะดีขึ้นคะ่ะโอ้จอนซี่ ถ้าจะดีขึ้นต้องมีความเชื่อสิฉันรู้สึกไม่ค่อยดีคุณเบลแมนฉันเหนื่อยที่ฉันต้องรู้สึกไม่แข็งแรงโทเด็กน้อยความป่วยนะ่ะอยู่ในใจของเรานะใช่ซูบอกสิ่งที่คุณบอกกับเธอแล้วแล้วก็เออคือว่ามันอาจจะมีทางออกเสมออะไรทํานองนั้นอะใช่ไหมละ่ะ <laughs> ความพยายามอยู่ที่ไหนเนี่ยความสาเร็จก็อยู่ที่นั่นฉันเห็นด้วยนะ บอกฉันหน่อยว่าคุณวาดรูปอะไรล่าสุดคะโอ้มันคือความฝันของฉันที่หายไปฉันไปทาสีทุกที่บนถนนที่เราอยู่ฉันพยายามจะให้จิตตกรและช่างทาสีเห็นและให้เขาทำสิ่งที่พวกเขารักมากที่สุดเลยการวาดรูปนั่นเป็นฝันที่ไม่มีวันเป็นจริงนะมันไม่มีวันเกิดขึ้นนั่น มันคือความสวยงามเธอจะฝันอะไรก็ได้ถ้าเธอไม่ฝันมันก็จะไม่มีวันเป็นจริงฉันยืนยันว่าศิลปะของฉันจะช่วยชีวิตได้ในสักวันฉันมีความพยายามที่จะต้องหาทางศิลปะนะมีพลังมากเด็กน้อยพลังของชิ้นงานศิลปะจะทำในสิ่งที่หมอทำไม่ได้จิตกรทุก คณจะต้องคิดบวกและมีความเชื่อเมียวนะ่าจนซี่หยุดพูดเรื่องเศร้าได้แล้วอืมเธอมองหาอะไรจนซี่ต้นไอวี่โตขึ้นตามพันนงนะแล้วมันก็เป็นความสุขเล็กๆของฉันยังไงละ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ดีเหรอใช่แต่ต้นไม้ก็จากฉันไปเหมือนกันนั่นแหละ ครั้งแรกที่ฉันเห็นมันมีใบไม้สิบใบตอนนี้เหลือแค่เจ็ความหวังของฉันจะหมดไปเมื่อใบไม้ทุกใบร่วงลงมาหมดอ้นั่นมันเป็นเรื่องแยกที่เธอพูดนะจอร์ซี่ยาตะโกนใส่เธอสู้เมื่อคนกำลังเศร้าการตะโกนใส่จะทำให้พวกเขาโมโหมากกว่าเดิมและจอร์ซี่ก็ป่วยอยู่เราไม่รู้ว่าเธอรู้สึกยังไงในตอนนี้ คุณพูดถูกคุณเบอร์แมนฉันขอโทษนะจอร์ซี่จอนซี่ไม่ได้กรธเธอรู้สึกผิดต่อเพื่อนของเธอหลายวันผ่านไปสุขภาพของจอร์ซี่ก็แย่ลงหมอไม่สามารถทำอะไรได้จอร์ซี่หยุดกินยาสู่ทำถึงการรักษาแบบอื่นแต่หมอบอกเพียงว่าเธอ ต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งเมื่อสู่เดินเข้าตึกของเธอเธอเดินผ่านคุณเบอร์แมนตัวของเขาเปียกโชกคุณเบอร์แมนคุณโอเคไหมครเกิดอะไรขึ้นกับคุณคะนี่ <L an> ไม่มีอะไรเด็กน้อยท่านแค่กแก่ขึ้นเท่านั้นทฉันไปทาสีที่นั่งใต้สวนของเราวันนี้ ธอรู้ใช่ไหมที่อยู่ใต้หลังคาเดี๋ยวก่อนคุณพูดถึงที่นั่งใต้หลังคาสวนอย่างนั้นใช่ไหมนั่นมันมีที่นั่งเป็นยีสิบอันเลยนะคุณทาสีมันหมดเลยเหรอภายในวันเดียวนะนั่นมันเยอะเกินไปแล้วคุณเปรียดได้ยังไงก็มันมีหลังคาอยู่นี่นะโอ้ฉันลืมเอาร่มไปนะสีอย่างที่บอก ฉันแก่แล้วเท่านั้นเองอ๋อคุณเบร์แมนคุณรู้ใช่ไหมว่าทุกวันนี้ทุกคนป่วยเยอะไปหมดเลยนาะคุณต้องดูแลตัวเองคุณมีไข้ไหมคุณดูไม่ดีเลยนะฉันต้องเรียกหมอมาไหมโอ้ให้ตายเถอะเธอถามคำถามเยอะมากเลยเด็กน้อยตอนที่ฉันวาดรูปนี้ฉันคือทายที่มีความสุขที่สุดไม่มีอะไรทำร้ายฉันหรือว่ารบกวนฉันได้ศิลปะคือชีวิตฉัน บอกฉันหน่อยจอร์ซีเป็นยังไงบ้างเธอไม่ไดีขึ้นเลยนะคุณจำต้นไอวี่ที่เธอพูดถึงได้ไหมตอนเนี้ยเหลือใบไม้แค่สีใบเท่านั้นเธอเอาแต่จ้องใบไม้นั่นฉันหวังว่าใบไม้ใบสุดท้ายจะไม่ร่วงคุณเบอร์แมนฉันหวังแบบนั้นจริงๆนะคะจอร์ซีจะหมดความหวังนะสิให้เราจะให้เป็นแบบนั้นไม่ได้ฝนตกหนักมากวันนี้ ฉันรู้ว่าลมจะต้องพัดใบไม้ทุกใบออกไปแล้วใครจะสามารถหยุดไม่ให้ใบไม้ร่วงได้กันเล่าอืมสู้ความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่ั่นตอนนี้ฉันมองไม่เห็นทางเลยนะฉันหมดความพยายามฉันเนอะฉันจะไปหาจอนซี่คุณมาแมนไปหาหมอด้วยกันนะคะไม่โกรดล่ะโอเคนะ <laughs> ฉันจะไปเด็กน้อยเบาจนซี่ด้วยไหวหายดีคืนนั้นพายุเข้าเมืองทุกคนในอาร์บิวปิดหน้าตา่างและอยู่ในบ้านแต่จอนซี่อยากให้ซูซานเปิดหนาา้าต่างเธอยากเห็นว่าใบไม้ใบสุดท้ายได้ร่วงลงแล้วหรื อ, อยังแต่ซูมปฏิเสธสุขภาพของจอนซี่ อาจจะแย่ลงถ้าสูเปิดหน้าต่างและปล่อยให้ลมเข้ามาจอซี่เห็นด้วยแต่จอซี่ไม่รู้ว่าสูเป็นห่วงเรื่องใบไม้ใบสุดท้ายด้วยเช้าวันถัดมาพระอาทิตย์ส่องแสงสว่างพายุได้หายไปแล้วสูรู้ว่าเธอต้องเปิดหน้าต่างแล้วเธอจะปิดหน้าต่างได้นานเท่าไหร่กันเธอหลับตาแล้วเปิดหน้าต่าง เธอประหลาดใจอย่างมากอาจันซี่ใบไม้ใบสุดท้ายยังอยู่อีกเลยอะไรนะเป็นไปไม่ได้ใบไม้มันอยู่ได้ยังไงกันนะมันคือใบไม้แห่งความพยายามเหมือนที่คุณบาแมนพูดยังไงเล่าธอพูดถูกเนอะอ๋อสุไปเอายามาให้ฉันทําใบไม้ใบเล็กๆสามารถผ่านพายุมาได้ทําไมฉันจะทําไม่ได้ ฉันจะหาทางรักษาตัวเองเอ้าเจนซี่ฉันจะเอาทุกอย่างที่เธออยากจะได้มาให้นะบอกฉันมาว่าเธออยากได้อะไรศิลปะน่ะมีพลังมากเด็กน้อยและพลังของชิ้นงานศิลปะจะสามารถทำในสิ่งที่หมอน่ะทำไม่ได้ฉันรู้แล้วว่าฉันต้องการอะไรไปเอาผ้าใบวาดรูปแล้วก็สีมาให้ฉันทีนะซูมีความสุขมาก เธอรีบไปซื้อสีเท่าที่เธอซื้อมาได้เธอตั้งที่วาดรูปข้างนอกของจอร์ซีสูดีใจที่ได้เพื่อนของเธอกลับมาเวลาผ่านไปจอร์ซีหายดีมอและสูประลาใจมากเธอไม่พูดถึงความอ่อนแอที่เธอรู้สึกหรือเธอไม่สามารถทำอะไรในชีวิตนี้ได้ตอนนี้เธอได้บอกความฝันของเธอกับสู ฉันอยากจะไปวาดรูปที่สภารอนดอนนอะฉันแน่ใจนะว่าวันนึ่งจะทําได้แน่นอนคุณวอมันอยู่ไหนฉันไม่เห็นเขานานมากแล้วนะอะฉันดีใจที่จะาำถึงเขานะฉันอยากจะบอกเธอเมื่อเธอหายดีแล้วคุณบอมแมนไม่สบายอายุของเขาเยอะแล้วด้วยจาคื้นที่อายุเข้าได้ไหม อวยนักมากีบเช้าวันถัดมาอะไรเธอหมายคำว่าอย่างไงกันนะและนั่นคือสิ่งหนึ่งของเขาคุณมาแมนฉันยังจำได้ดีที่เขาบอกว่าไม่มีอะไรทำร้ายเขาได้ถ้าเขาได้วาดรูปเธอหมายคำว่าอย่างไงดูไมไม้ที่ผนังสิจร่ะสิมันยังอยู่ที่นั่นนะและมาเนบก็ไม่ขยับเลยสักนิดเขาวาดมันขึ้นมาคืนนั้นเขาเป็นนักวาดที่ดีที่สุด เช้าวันถัดมาเขาเริ่มสั่นมีคนพาเขาไปที่โรงพยาบาลฉันเจอเขาวันที่เขากลับมาเขามีความสุขและก็สงบมากฉันบอกเขาว่าจะหายดีแล้วฉันบอกเขาว่าใบไม้ใบสุดท้ายให้ความเข้มแข็งกับเธอเขาจากไปแล้วนะจอรสซีโอไม่ oh, ไม่นะแต่จอรสซีเธอช่วยเติมเต็มความฝันของเขา เขาพูดไม่ใช่เหรอว่าวันหนึ่งศิลปะของเขาจะช่วยชีวิตดูใบไม้นั่นสิมันคือศิลปะของเขามันช่วยชีวิตเธอไม่สูมันไม่ใช่แค่ศิลปะนะมันคืองานชิ้นเอกและฉันจะเติมเต็มความฝันของเขาไม่นานเรื่องของใบไม้ใบสุดท้ายของคุณเบอร์แมนได้กระจายไปทั่วมือจิตกร นักแต่งกลอนนักเต้นนักร้องศิลปินทุกคนได้แรงบันดาลใจพวกเรามารวมตัวกันที่ใต้ต้นไอวี่และสาบานว่าจะนำศิลปะกลับมาสู่อาร์ตวิวและนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นถนนกลับมามีชีวิตีว่าอีกครั้งมีศิลปะอยู่บนทุกผนังแม้กระทั่งบนตัวของคนจอนซี่และสูเริ่มเก็บเงินและสร้างโรงเรียนศิลปะภายใต้ชื่อศิลปะเบอร์อรแมน พวกพ่อแม่จะส่งเด็กๆมาเรียนศิลปะของชีวิต ท, ทุกคนวาดรูปต่อไปพวกเขาไม่ได้หยุดพวกเขาชอบผลงานของตัวเองและตอนนี้พวกเขารู้แล้วว่าจะไม่มีทางหยุดวาดรูปเหมือนกับจอห์นซีและสูลผู้คนในอาร์ชวิลมีชีวิตทิวาที่ได้สีสันกลับมาในชีวิต ท, ทุกคนรู้ว่าศิลปะสำคัญแค่ไหนพวกเขาจึงรี บ, บริจาคเงินส่วนหนึ่ง จากรายได้ให้กับศิลปะเบอร์แมนไม่นานโรงเรียนศิลปะเบอร์แมนได้โตขึ้นเป็นศิลปะเบอร์แมนสิ่งที่น่าสนใจคือเด็กทุกคนในสถาบันถูกสอนให้วาสิ่งหนึ่งก่อนอย่างอื่นนั้นก็คือใบไม้ใบสุดท้ายเพราะใบไม้นั้นจะสอนสิ่งที่สำคัญที่สุดความพยายามอยู่ที่ไหนความสาเร็จอยู่ที่นั่น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 แต่ฉันรู้ว่ายัางไงพระอาทิตย์ก็จะขึ้นอีกและใบไม้จะเพล่งอีกในฤดูใบไม้ผลิฉันชอบการรอพวกมันนายพูดถูกแต่พระอาทิตย์ตกก็สวยงามมากนะนายเป็นต้นไม้ที่โชคดีนายได้ดูบิวสวยๆฉันอยู่ที่นี่ได้ตลอดกาลเลยนะฉันไม่รู้สินะเรื่องโชคแต่พระอาทิตย์อยู่ที่นี่เสมอฉันชอบมันกับนายมากที่สุด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 ฉันไม่มีเงินให้นายมากฉันมีแค่ใบไม้กับแอปเปิลเท่านั้นจริงเหรอถ้าททำอย่างนั้นได้เหรอถ้ามันทำให้นายมีความสุขนะใช่ขอบคุณมากเลยนายเจ๋งที่สุดเลยแล้วเด็กชายก็เปลีนขึ้นต้นไม้เก็บแอปเปิลทั้งหมดแล้วเอากลับไปขายที่ตลาดต้นไม้มีความสุขที่ได้ช่วยเขาแต่เด็กชายก็หายไปนาน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 ต้นไม้ไม่มีกิ่งที่จะปลอบใจเขาไม่มีแอปเปลิลให้เขามีความสุขขึ้นมาทำได้แค่นั่งอิงต้นไม้เกิดอะไรขึ้นทำไมถึงเศร้านักละ่ะเมียฉันทิ้งฉันนะสิลูกฉันก็ไปรักฉันแล้วฉันไม่อยากอยู่ในที่ที่ไม่มีใครรักฉันที่ฉันต้องการตอนนี้คือไปจากที่นี่ให้ไกลทำไมจะอยู่ที่นี่ล้นายวิ่งไล่ความสุขมาตลอด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 เขาเดินหลังคอมเดินด้วยไม้เดินเขาสงสัยว่าเขาจะได้เจอต้นไม้อิวหรือเปล่าเมืองนี้กำลังจะทำลายป่าหวังว่าเราจะได้เจอเพื่อนเก่าและเขาก็เจอเขาหยุดที่เดิมท่อนไม้ที่รออยู่นายมาแล้วฉันรอนายนานมาอ๋อใช่แล้ว ที่ได้เจอกันฉันหลงไปเมืองอื่นไปอยู่ที่นั่นไม่กี่ปี <c oughs> <c oughs> นายหายใจหนักมากใจมลพิษทำไมฉันหายใจยากนะขอโทษทีนะแต่ฉันไม่มีอะไรให้นายแล้วแอปเปิลของฉันก็หมดแล้วฝันฉันไม่แข็งแรงพอจะกินแอปเปิลแล้ว